เป็นวันรักษาศีลเป็นวันสมาทานศีลของคณสถายาติโยมเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบปีพุทธศักราช2 5งพตรงกับวันที่22กันยาหาหนึง่งพวกเราตรกตันนี่กือตัอจออวจอพรรษาจังในกี่วันพระให้พวกเราตังปุกตังใจ รักษาสินงมยบริสุทธิ์สมบูรณ์ในพรรษานี้พวกเราได้ตั้งจิตตั e งใจตั้งีอฐ า, านว่า ย, ยัางไงก็ไว้พวกเราทาจิตหรือตังใจอธิฐานตุ๊บนั่นให้ตรอดรอดฟังก็ว น, นี้ก็เป็นวันพระพก็ไว้พวกเราตั้งใจรักษาสิบริสุทธ์ สามเดือนก็เพียงสิบชองวันถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่มากเกสิบวันเพียงสิบชองวันแต่ก็การเสียสละไปหาพุน้ำความนี้รือว่าหมุนไปทางคุณน้ำความดีมันยากแต่ถึงจะยากตร้งไหนก็เป็นหนาทีของพวกเราจะต้องทำนันแต่ละวันเมื่อได้มาวัดแล้วมาถึงวัดแล้วสมาทานสิน แล้วาตวาวอกไม่ได้ทำการทำงานต่างคนก็ต่างเข้าทีพักก็ <Yeah. S 1> ได้มัดทธรอย่างพวกโจงผู้ชายทาไม่มีอะไรขึ้นไปพักในของภาวนาไม่ต้องคุยกันมากถ้ายเองสานกัเปิดเทบฟังเพื่อการศึกษาสำหรับโยงผู้หญิงไปพักาพในครัวก็เอานั่งเป็นคุ้ม ทำอะไรทําการทํา ง, งานเอาจัด ก, การนั่งเป็นกลุ่มนั่งภาวนาเอาชั่โม ง, งหนึ่งนะวันนี้ตอนเที่ยงตอนหลายตกลงกันนี่คือ ก, ก, การรวมกันตกลงกันนั่งภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพราะพวกเราก่อนที่จะเข้ามาสูว่วาาัดวาสถานะในละวันได้เจ็ดวันมีทาังนึ้น พอมาแล้วก็ทั้เสียสลักเสียเวลามเวลาหที่การงานทางบ้านก็ม่ได้จัดได้ทำไม่ได้ทำอะไรแต่พมาถึงวัดแล้วก็มาพูดมาคุยกันดึงศพไปให้หลังคงจะได้ประโยชน์ทั้งสองการดีพอดันเมื่อเราพอมาสูวัดทำไป ม, มีอะไรก l พยายามทำ i ปเต็มที่อย่างที่พวกเราเห็นในขบถไทยของประเทศต่อ ม, มา เวลาเขาไปวัดไปสู่วัดเนะี่เขาไปนั่งอยู่ตามมุมศาลามุมเจดีมุมวัดที่สมบชรมัดเขาจะนั่งภาวนาหลักตาแต่ของไข่ของเราอันนัคือเขาเอาไว้ครบทังทางทางั้งสิ่งทั้งภาวนาด้วยอันนี้ก็พวกเราจะห่างเกินดูนเรื่องจิตตะภาวนาเรื่องไข่ทานจบไข่ เรื่องให้ทานการเสียสละทําบุญทำทานในเมืองไทยของเราเรียกให้ไม่มีประเทศไหนที่จะยิ่งกว่าคนในเมืองไทยในยุคสมัยนี้ตามที่หลวงพ่อได้ยินไดยินได้ฟังมาและก็เรื่องรักษาศีลก็มีดูบางแต่การรักษาศีลรู้สึกว่าจะเป็นการรักษาศีลชั่นตัวจะไม่ค่อเปิดเผยให้แก่ใครๆฟัง ของฝากเ b าเหมือนกับเป็นของคือของมาสมัยของอายคนรักใคร่ะแอบรักษาสินให้วะลบบฉันสมาแต่ตามไม่จริงการรักษาสินควรจะลกบฉันควรจะพูดให้เปิดเผยให้ใคต่ครฟังได้ขอบุณ้าเความนี้จะไปลบกบฉันสอนทำไมไอข้าพเจ้ารักษาสินาแอบมาเท่านันปีทนี้ปีข้าเจไม่เคยเีเีย พูดอย่างอาดหานในที่ชุมชนและสาธารณนักและเพราะการสร้างพลังความดีไม่ควรจะหลบหส่นสนและไม่ตรงตัดขักระทำความชวถ้าคนทำความชัวะอดมาฮ้างให้หมูเพื่อนฟังในททีนักปราชบรรดิตทั้งหลายฟังดูแล้วมันไม่ใช่พรที่จะมาพูดใหใครต่อใครฟังให้ขายท่าอย่างนั้นขายอย่างนี้กำไรอย่างนูอย่างนี้คที่สุดฟังฟังดูแล้ว มีแต่เรื่องเปลียเดเปียนคนอื่นสัตว์อื่นมู่เนหมูพวกเพื่อนคนอื่นเขาฮะท่บางครงก็ตำหนไปแต่จะให้ถูกไหมตามหลักธรรตามศีลธรมบางทีมันก็สวนทางกันเหมือนกันแต่สำหรับเราที่รักษาศีลพูดได้ต้พูดไปแล้วเราเดเปียเดเปียนใครพูดตงไปตรงมาเรีนเขาไปเจรักษาศีล น, นะ ในหลักษาสนาแต่อายุเท่านั้นเท่านี้ไม่ฆ่าทัพย์ไม่ทวงวุฒทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่เก่าโกหกปูาไม่ดึ่มทุราเพราะข้าไปจ่ายเพี้ยนโทษเพราะการกระทำทั้งหลายอย่างนี้หากใครทำมากมาเข้าไปมีจะเทิงเทิงหายจะนัดมิจะดืงไม่ดีมาสู้ตนเองวะสู่ผู้ทกลายิต องศาขนาดยยประเทศชาติบ้านเมืองแต่ทุกคนมีแต่สินมีแต่ทอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบโรงเย็นผาสุขพระราชาพิจารณาตามทำคำสั่งสอนของพระบุตรเจ้าแล้วข้าพเจ้าคนหนึ่งเห็นด้วยที่ประทำคำสั่งสอนของพระดเดจาวะผู้รักษาสินหาจะทำให้โลกทัโลกโรงเย็นเป็นทุกอย่างไม่้าพิจาาคนหนึ่งข้าพเจ้ามันไม่ได้เบียบนคร อันนี้เ b r a าพูดการแสดงในที่สาธารณะได้หรือไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ต้องหลบต้ไม่ต้องหายใครก็ได้แต่เดยวนี้ไม่เป็นหลักสลาอย่างนันถ้าใครรักษาศีลแล้วกไม่กล้พูดดูไม ใ, ใจแตตามไม่จิงตรงพอว่าไม่นาจะเป็นอย่างนันการสร้ามความดีเป็นคนไม่นาจะายใครจากนั้นก็ เ, กเรขน หนึ่งจิตตภาวนาอย่าไปคิดว่าเป็นของพระสงฆ์องค์กระเจาอย่าไปคิดว่าเป็นของผู้เถ้าปู่แกอย่าไปคิดว่าคนทรงอายุเท่านั้นจึงจะมองสง ก, การภาวนาการภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่นใครก็ตามทา้าวต้องการความสุขอยู่ผู้ น, นัานควรจะภาวนาหาว่าใครก็ตามอยู่ในโลกนี้ความที่จะไปเชิญกับโลกกระทาแต่ เชื่มลับเชมดอินธาทุกเป็นพร้อมที่จะไปเชิญได้ทุกคนเพราะนั้นการภาวนาก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นั้นทุกคนจะต้องแกจะต้องเจ็จะต้องตายจะต้องพัาอันนี้พวกเราก็ภาวนาเตรียมืระรับสถานการณ์นั้นสรุปแล้วก็คือการภวนาเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่มันจะมาถึงเราสิ่งที่ไม่พึงตัถนา ที่ใจของเรารับไม่ได้เรียกว่าไฟดับแบบง่ายๆ r ฟขาวเลยคือไฟที่พึงปรารถนาไฟดำเลยก็คือไฟที่ไม่พึงปรารถนาคือใจของเราไม่ต้องการไฟดำแต่ไฟดำและไฟขาวนเราเอารับประกันไม่ได้ไฟวายชนชาติชั้นวันราไหนอาย่มากน้อยแค่ไหน คสูงอายุเท่านั้นช่ไหมยิ่ะประสบดํารายไคนหุ่มคนสาวเด็กน้อยหุ ม, มประสบความรับมตีต้องมี a ต่เจอแต่ขาวอย่างเดียวคือสิ่งที่ปราถนาสิ่งที่พึงปราถนาอย่างเดียวใช่ไหมก็มเป็นอย่างนั้นทา้งเด็กน้อยทางเด็กหนุมทางเด็กสาวทานคนระดับไก็ตามตเจอทั้สองเงือ คือดำกับขาวดำก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขาวก็คือสิ่งสิ่เที่พึงปรารถนาคือได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นการภาวนาในกุฏิเจ้าท่านมีศุกร์อยู่แล้วไม่มีความเข้าเกยก็ไม่เห็นจามอเหอะไรไม่นจะต้องมองเพนเรื่องสิ่งสมาธิปัญญาแต่ถ้าว่าพวกเราต้องเฉยนอย่้วเรื่องฝ่ยดำ เราจะแก้ไขยังไงที่ทุกจะตามเข้ามาหาพวกเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีช่องทางหาทาหาวิธีการให้พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทขององค์ให้เตรียมความเอาไว้รักษาสินเพื่ออะไรเพื่อกุ้มคลองในภพนิยชาตินี้กรับอยู่เย็นเป็นสุขเกิดมาพนิยชาติก็ศีลกุ้งคลองให้เกิดในสถานที่ใดชีวิตยืนยาวชีวิตตราพึง ไมชีวิตไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครมาขา้ามาหลังแกเพราะเราได้ส่งสินคุ้มครอ ง, องเออคุ้มครองเราไปอยู่ที่ไหนทรับสมบัติขึ้นมาได้ก็ไม่มีใครมาเบียดบังมาขดมาโกงมาชอมมาชนทรับสมบัติของเราเพาเราไม่เคยทำมาแยแ t ร่สิ่งของเราอธิ น, นาธานเจ้าเมสุบิชาจารย์คุ้กันเราะเกิดนันสชาินทีได้สามีรรยาลูกเรา ในวงศาขนาดใหญ่ของเราที่เราไปเกี่ยวของคนรู้สึกจะราบรืเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคแต่ว่าพูดอะไรกใจกันได้ก็ อ, อะไรปรสิคุ้มครองไปที่ไหนก็ไม่มีใครโกหกเอาแรงหลอกลวงแอบต้มตุ้เราพอเรารักษาสิสิของเราคุ้มครองไปใ น, นที่ไบจะบัิัแต่ค คนไม่มีสติสตางค์แตคนไม่มีสติแต่จะไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเพราะเราไมได้สิง่สข ง, สข ง, ขงของเราสิ่งขอที่อาคุคลองใอย่างนี้เป็นต้นอนีอ้นนเรื่องฐานก็เหมือนกันเราเกิดพบใดชาติไดอั น, นสงฐานของเราไปนักฐานที่ไหนอันนสงฐานในการตะบุญทำฐานไปเกิดพบภูไหน มีแต่พี่น้องจิตใจเอื้อฟือเอ่ออา้าทรนั้นคำศัพ์สมบัติเป็นไปพ อ, อเป็นไปและถึงจะไม่ลำลวนมหาศาลก็ไม่ถูกยากลำบากพอเป็นไปอันในสงทานของพวกเราคุ้มครอง อ, อันในสงฆ์ภาวนากุ้มครองแล้วไปเกิด น, นะพวกใดชาติใดเป็นผู้มีสติปัญญา ไ, ไปพูดกล่าวที่ไหนในีพูดกับใครพี่น้อง กับเพื่อนฟูงก็ยอมรับ ต, ตัวเองก็คิดนานไ ต, ตร่องเหตุผลเป็นที่เพิ็นของใครๆก็โตใครได้เพราะการส่งภาวนา ค, คนนุ้มครองขณนพระพุทธยาท่านเห็นเ้ ว, ว่าฝ่ายขาวหลอกจากสินสมาธิปัญญาทำคำส่งสอนที่พระพุทธเจาตรัสไปนี้แล้วไม่มีทางอื่นและที่จะกับทำให้พวกเราเดินไปสู่ฝ่ายขาวได้ จะทำให้วัดตรงกันขามข้าจับปากมากๆ อ, อา ท, าทิตนาธานขโมยของเขามากๆากบัพพืชผิดในกลามไม่มีไม่เรบสิทธิ์ใครต่อใครมากๆโกหกใครมากๆดื่มสุราเต็มที่อันนั้นเดินไปสู่ฝ่ายดำตรงกันขามก็บฝ่ายขา ว, วกเราคิดดูกแล้วกันถ้าอยู่ในปุบนี้ชาตินี้ก็อยากลำบาก ไปนักชาติานที่ไดก็อยากตำบา grund คนประเทศอย่างนั้นก็ไม่มีสิ่งไปที่ไหนก็เราแว่งแข่งใจไม่เป็นที่ไว้ใจขนาดครอบครัวผัวเมียแต่ยังไว้ใจกันไม่ได้นะคนประเทศอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงองศาขนาดาตญประเทศชาติบ้านเมืองแต่ขนาดตัวเองก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองแม่ลูกเมียจะไว้ใจราไอย่างไรเรคนไม่มีสิ่งเพราะนักสิทธิธรมของปกุฎิยาทิติรัตถวัย มีประโยชน์มากมายแต่ผมพอได้พูดตั้ต้นว่าพวกเราในการทาฐานยอไขในเมืองไทยในสงครามสิ้นก็รู้สึกกัะถอยลงมาไม่กล้าพูดไม่กลาแสดงให้แกไครฟังทารักษาสิ่งแต่แบบพูแบบโก้อบแบบฮกล่มลจักๆแต่เรื่องภาวนาแไม่กล้าพูดให้ใครฟังพรกลัวเขาจะหว่าไหโนเซจะนั่งทไมนั่งพูดลักตาเห็นอะไรบรรทายอะไรเขาพูดเขามายกายเขาอีก ผตัวเองยังไม่ได้ศึกษาให้พ้นทีฮแต่ตามจิงเรื่องจิตตะพนาเนี่ยถึงจะหลับตาดูใจไม่ใชให้ดูทางตานะดูทางตามาดูจนพอ แ, แล้วให้หลตาดูเขาข้างหให้ดูใจใจดูตัวนึกคิตัวปุงฟุ้งทสารตัวปุงแต่งงานในจิตในใจตัวนั้นตัวสำคัญในหักของพุท ธ, ธพุธยาวไป ใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสเร็จรวยใจหลักของปรสาสนาที่หลับตาไม่ใชลับเพอย่างอื่นหลับเพื่อดูใจกำหนดดูใจคือมาให้มันได้เห็นทางตาแต่เพื่อเพื่อจะุดหูตาหเพราะั้นแไปมันได้ยินเสียงอยีตาหลแต่มาดูในใจที่ดูรู้ใจใจครอบิดเรื่องอะไรจิตเรื่องดีและชิดเรื่องช่วเป็นทางกุศ ล, ละเป็นอ ก, กุศล ไปทางดำไปฝ่ายดําไปฝ่ายขาวไม่มีใครรู้ยิงกว่าตัวของเราที่เราหลับตาดูแล้วกระทาเราเราไม่หับตาดูนะมันคิดไปทางวันหรคืมันจะไปทางดทงวันทั้งคื น, นไปทางดอย่างต่อเอดเราก็ไม่ได้คิดพวาเราม่ได้มีสติยับยั้งจับตัวของมันได้กะทาพวกเราจะเอาสติ ไม่รู้ว่าจะโคน่นล้มลงห่วยลงคลองเมื่อไห่พาะนั่นเตรียมคองเอาไว้เหมือนกันไม่ว่าจะจะายาดลมเตกระทังลงพ่อยิ้นด้วยว่าเด้อหลวงพ่อยิอ้นทำนองโค่นเดี๋ยวนี้หลวงพอ่อย a ดเตือนตัวเองอทุกปีทุกวันทุกเวลานาทีเหมือนกันอยากประมาต์เด้อลวพยิ้นนะหกสิบสี่ปีกนเ้ขยบจุาหารขยบจุรจงจนะ ไอมาตุกตีเมืองเข้ามาตุกแขนตุกคนแล้วนะอ้ตีเข้ามาทางตาในจอดตาแล้วทุกวันจอดนำยาตาเพราะมันรู้สึกมันจะเป็นฝาฝาต้องใช้ปัญญาวโจเข้ามาสู้เมื่สู้กับทหารปญมัตุรัสก็ทหารปัามัตรุรัสันตีเขามาทางตาแฟต้องช่วยปัญญาพาัยอดตาอาไว้ใช้แวตาเไว้มันมาพยาน ทหารพยาจบจุฬตีเข้ามาทาก็ต้องรักษาหมูต้องแฉะหูเอาไว้ต้องรักษาหมูเอาไว้เพื่อให้มันมีด้ำหนวงไว้มูตึักษาพยาอวสตร์ทางจมูกทางจีนทางไตทุกอย่างตลอดถึงขังฟันทหารพยาจตีเข้ามา They have a trap. <laughs> ปกป้องพญาปัจจุรัตทหารตีพญาปัจจุรัตรีบานตีเมืองผในชดมไหวเหมือนกันไอ้พญาจิตกราตสู้เป็นบางครังมันเพลอไ ด, ไ, ดได้เวลานอนหลับแล้วก็มีทารใจปกครองปกครองไว้ทำเองชวนเดินก็ปลอยปาลาเลยแต่พญาปัจจุรัปลอยทหารเขามาไม่มีเป็นลเวลาเลยวนั้นตบุตีบุ ที่สุดพยาิตราส่งพยาโอสดสู้ไม่ไหวันยกชงขาวยอมแพ้ในที่สุดพยามัจจราชตีบีบคอซะมดไปเป็นคนเป็นคนเป็นคนไปเพราะนั้นพวกเราพิจารณาดูสิก็พูดดกันว่าจะทำยังไงจึงจะสู้กับพยามัจจุราชได้นอกจากสินสมาิปัญญา มักแปดนี่แหลให้พิจารณาให้ทันทีแล้วก็สู้อย่างสุดๆไปจับมันก็หลบมือเลยเอหลบมืเมือปประตูมเมืองแต่ปิดประตูเมือ ง, องใช้ิธรรมานาะเจนพญามัทธรตัตไม่ทันหมนนพะมันไปอีกมิติหนึ่งเนียไมิติหนึ่งคือนิพพาน กายมัจจุราชตามยังงก็ตามไม่เจอถึงยกกาย ม, มารตามยัยก็ตามไม่เจอําอหากายจิตระกันตปชาจิต ร, ระกันสลักทิ้งหมดทกอย่างมีคิดใจอนบริสุทธิ์แล้วแตเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะองเชื่กระทคำคาสั่งสอนของพระพทธเจ้าครับพวกเราย่างหมกวนเวียนอยู่ ย, ยังมีกายที่ว่านั้นมีกายยนาคนครขึ้นมากามัจจุราช สงทหารเขามาตีร้อนกันนะแล้วมายางเมืองขยันจิตระดับได้ก็ตีอย่างร้อนเหมือนกันนะอยากปกป้องบ้านเมืองตัวเอ ง, งอยากส่งขยันโอชุดเขาไปสู้ไม่รู้ ก, ก, กี่อย่างต้อกี่อย่างคนเหลือเก็ต้องยอแพ้นี่หละให้พวกเราทุกทุานนาพิจารณาดูขยันจิตระดับคืออะไรไอใจของเราเลยนะ กายยานครก็คืออะไร ค, คือร่างกาของเราพระามัตุราชก็คือความตายความตายจะต้อมาถึงฐานพยามัตุราชกคืออะไรก็คือในแความชราความแก่ความชราไหลเวียนของพวเรามาเรื่อยพระทีพยาทหารพระย า, ะย า, า, ะยามัตุราชชราพระพอถึงไอทีแล้วพระยามัตุรชก็คว่าคองเมือง เยียบคอแหละใจขาดตายขัฐ ต, ตายไปพบหนึ่งชาติหนึ่งพยายามตลาดก็ยังไม่ยอมแพ้ติดตัวเลือกติดเสือกสลไปสร้างเมืองใหม่เองพยายเมืองใหม่พยามัจยุราชก็ไรตีแต่ยังงั้นแหละไม่มีทีสิ้นสุดมีแต่ทำใจให้ออกจากมิติหนึ่งขะงรัฐ พยาพยามานพยายามมจุราชตามไม่ถึงอันนั้นถือแดนนิานนะเพราะนั้นพวกเราพยายามให้ถึงจุดนั้นให้ไดนะ้ถ้าถึงจุดนั้นแหละเหยอจะว่าหัวรอพย า, าพยามานหรือหัวรพยายามมจุราชก็ได้แต่ทานถึงจุดนั้น้าทนไม่หรอกใครถานปล่อยวางหมดแล้วเป็นกลางเท่าอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ว่ายึดมันไม่ถือมันกับเรื่องอะไรทั้งหมดเทางโกเดินทางธ แต่จะว่าไปแล้วไม่มีขาวไม่มีดำแม้แต่น้อยเดียวขาวบริสุทธิ์ทั้งหมดมนี่ว่า n i b p a n a ประมังสุ ข, ขงังนิ b p านเป็นสุขอย่างยิ่งนะ